สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำกฎข้อที่7ครับเกี่ยวข้องกับการใช้ของประธานพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นอีก3ประเด็นสุดท้ายครับของกฎข้อที่7นี้ประเด็นที่12ครับก็คือหนทางแห่งการเจริญเติบโตของของประธานพี่น้องครับ ของประธานที่เรามีอยู่นั้นพระกัมพีบอกว่าให้เราพัฒนาพัฒนาให้ดีขึ้นพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพัฒนาให้มันเติบโตขึ้นในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่15ครับเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงถ้าเราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่11นะครับจนถึงข้อที่16เนี่ยเราจะได้เนื้อหาครบถ้วนเลยครับโปรดฟังพระจริของพระเจ้า จงกำชับและสั่งสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ใครมาดูหมิ่นท่านเพราะว่าท่านยังหนุ่มแน่นแต่จงเป็นแบบอย่างสำหรับผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาการดำเนินชีวิตความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์จงอุทิศตนในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา อย่าละเลยของประธานของท่านซึ่งประธานแก่ท่านผ่านทางคําเผยพระวจนะเมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนท่านจงขยันขันแข็งในงานเหล่านี้ทุ่มเทให้สุดตัวเพื่อทุกคนจะเห็นถึงความก้าวหน้าของท่านจงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคําสอนของท่านอย่างใกล้ชิดจงบากบั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าทําเช่นนั้นแล้ว ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังท่านให้รอดได้พี่น้องครับในเรื่องนี้เราได้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญนะครับ4ประเด็นเป็นอย่างน้อยครับการเติบโตของของประธานนั้นประเด็นแรกก็คือพระเจ้าทรงให้ความสำคัญแก่ของประธานเราจะเห็นว่าพระกัมพีกล่าวว่าอย่าให้ผู้ใดอย่าให้ใครมินประมาทของประธานที่ได้ท่งมอบให้ คำว่าย้าย ใ, ใครมิ่นประมาทนั้นมีความหมายว่าเราจะต้องเห็นความสําคัญเห็นความเห็นการมีคุณค่าให้ความสําคัญของการรับมอบของประธานครับและตระหนักในใจเสมอว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จเราจะต้องให้ของประธานนี้พัฒนาขึ้นมางานรับใช้ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเรานั้นจะต้องให้จำเริญขึ้นเพื่อเป็นที่พอพัฒน์ไทยของพระเจ้านั่นคือคําว่า อย่าให้ใครหมิ่นประมาทพูดอีกแง่นึงครับก็คือว่าเวลามีของประทานแล้วนะครับอย่าให้ใครดูถูกครับว่ามีของประทานแต่ไม่ใช้มีของประทานแต่ไม่เอาออกมาให้เกิดประโยชน์มีของประทานแต่ไม่รู้จักพัฒนาประเด็นที่2ครับหนทางแห่งการเติบโตของของประทานนั้นให้มีความขยันขันแข็งพี่น้องครับเราจะต้องขยันขันแข็งในการรับใช้พระเจ้า เราจะต้องขยันขันแข็งในการใช้ของประธานในข้อที่15นะครับบอกว่าจงปฏิบัติหน้าที่นี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจพระคมภีร์ใน NIV ฉบับภาษาไทยนะครับบอกว่าจงขยันขันแข็งในงานเหล่านี้ทุ่มเทให้สุดตัวผมชอบครับจงขยันขันแข็งในงานเหล่านี้ทุ่มเทให้สุดตัวพี่น้องครับการขยันขันแข็งการทุ่มสุดตัว มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยถือว่าเป็นชีวิตจิตใจครับไม่ใช่เป็นไซไลน์นะครับไม่ใช่เพราะว่ามีของประธานจึงเกียดค้านละเลยไม่ระมัดระวังที่จะใช้ให้ดีที่สุดแบบทุ่มเทสุดๆก็จะกลายเป็นเกียรตค้านครับพีงครับในทุกวันนี้หลายๆท่านมีงานประจํางานหลักแต่ว่าทําแบบไซไล มันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่าทํายังไงถึงเป็นไซหลายได้ไประเด็นต่อไปครับข้อที่15ข้อที่15นั้นบอกว่าโดยถือเป็นชีวิตจิตใจนะฮะพังผืดพูดชัดเจนครับโดยถือเป็นชีวิตจิตใจคือจงปฏิบัติหน้าที่โดยถือเป็นชีวิตจิตใจนั่นคือเป็นความตั้งใจมุมาณะครับเป็นสาเหตุของการประสบความสําเร็จการทุ่มเทชีวิตลงไปนั้นจะทําให้ ของประธานและงานรับใช้ของเรานั้นจะประสบความสาเร็จครับประการสุดท้ายครับของการพัฒนาของประธานก็คือให้เราเอาใจใส่พี่น้องครับจงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิดเราเห็นนะครับว่าชีวิตและคำสอนนั้นมันมีปัญหาครับมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับว่าหลายๆลายครั้งทีเดียวเราสอนได้แต่ทาไม่ได้ เราสอนได้แต่ทำไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติครับแต่ถามว่าปกติแบบไหนเป็นปกติที่ไม่ปกติแท้จริงแล้วความคาดหวังหรือมาตรฐานชีวิตของผู้สอนนั้นจะต้องดีครับสอดคล้องกับคาสอนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่ผู้สอนสอนนั้นผู้สอนสอนตามมาตรฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้ามาตรฐานแห่งศีลธรรม มาตรฐานที่พระเจ้าได้วางไว้จากพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเองจึงเป็นชีวิตที่มีมาตรฐานสูงครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถทำได้ 100% เปอรเซตอันนี้เราก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเราควรจะต้องทำครับการที่เราจะต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับคาสอนนั้นเป็นเรื่องเราสาคัญผมเองก็มี หลายหลายท่านที่เตือนครับอย่าลืมอย่าลืมเราจะต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับคำสอนสอนได้ต้องทำให้ได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่กระตุ้นเราทั้งหลายตลอดเวลาโดยพ่อผมเองได้รับการกระตุ้นเพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะเป็นผู้ที่สอนเราไม่เพียงแต่สอนเราครับพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะเตือนเราด้วยเวลาที่เราทำอะไรที่ไม่เหมือนกับคาสอนพี่น้องครับ ขอพระเจ้าช่วยเราครับเวลาที่เราจะเป็นพี่เลี้ยงสอนคนอื่นเราเองนั้นก็จะต้องทำให้ได้เสียก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองทำไม่ได้และคนอื่นจะทาไม่ได้ด้วยฉะนั้นเราจึงจะต้องสอนครับหลายครั้งทีเดียวเราทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้พี่น้องครับการที่เราไม่สอนก็ทำให้พระวจะนะของพระเจ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสมดุลในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเราต้องยอมรับครับว่า เนื้อหนังของผู้สอนก็อ่อนแอเหมือนกันครับแต่ในทำนองเดียวกันเราจะไม่สอนไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยคุณและผมเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตสอดคล้องกับคำสอนของเราได้ประเด็นใหญ่ที่13ครับอำนาจของการมอบหมายของประธานอยู่ในพระหัตถ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินท์บทที่1 2บสข้อครับ สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงประทานและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์พี่น้องครับพระวิญญาณจะมอบของประทานนี้ตามชอบพระทัยของพระองค์เองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้มอบและเป็นที่มาของของประทานตามที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอำนาจที่จะเห็นชอบและมอบหมายใครก็ได้เพราะฉะนั้น ของประธานนั้นจริงเป็นพระคุณครับทุกๆคนเป็นผู้รับเปล่าๆได้แต่ขอบพระคุณและรับไว้ครับผู้ใดที่มีของประธานน้อยก็อย่าอิจฉาคนที่รับมอบมามากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่รับมอบมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากครับคนที่ได้รับน้อยไม่ต้องอิจฉาครับแต่ต้องระวังอย่าเอาของประานนั้นไปฝังดิน นั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25เราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าได้ให้ของประธานแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็ได้5บางคนก็ได้2บางคนก็ได้หนหนี้หมายถึง5ตาลัน2คือ2ตาลัน1คือ1ตะลันน่าเสียดายพี่น้องครับคนที่ได้น้อยกลับกลายเป็นว่าเขาเอาของประทานนั้นตาลันนั้น ขุดดินฝังไว้ครับคนที่มีมากก็จะต้องไม่ดูถูกคนที่ได้รับมอบน้อยครับเพราะว่านี่คือพระคุณพี่น้องครับเรามาอยู่ในประเด็นสุดท้ายก็คือของประธานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักหนึ่งโคริน์บที่13เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องราวของความรัก อาจารย์เปาโลท่านกังวลใจว่าพี่น้องในคิตจากโครินจะสแสวงหาของประทานที่เขียนไว้ในบทที่12แล้วละเลยของประทานที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักอาจารย์เปาโลเอาความรักใส่ไว้ในบทความของท่านซึ่งได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นพระวจนะของพระเจ้าไว้ที่จุดสุดยอดที่สุดครับความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีความรักของประทานใด ที่จะยิ่งใหญ่กว่าความรักแล้วความรักในที่นี้ก็คือความรักของพระเจ้าที่ประทานมาให้กับเราครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักนั้นจึงมีค่าสูงส่งที่สุดผลของพระวิญญาณอย่างแรกเลยก็คือความรักบัญญัติ1ิประการข้อแรกเลยก็คือความรักรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกาลังสุดความคิดความรักคือศูนย์กลางของพระบัญญัติของพระเจ้า พี่น้องครับจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปครับแต่ความรักไม่มีวันสู์สิ้ น, นความรักนั้นทรงคุณค่าอยู่ชั่วนิรันดร์นั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของของประธานด้นความรักพี่น้องครับเราต้องใช้ความรักของพระเจ้ารักซึ่งกันและกันครับความรักของพระเจ้าั้นมีนิยามมากมายตั้งแต่ การให้อภัยตั้งแต่การอุทิตตัวตั้งแต่รักคนที่ไม่น่ารักรวมจนถึงการรักศัตรูและอธิษฐานเพื่อศัตรูของเรานั่นคือความรักที่ขยายแผ่ไปในชีวิตของคนที่ไม่น่ารักความรักนั้นไม่ใช่แปลเปลี่ยนไปตามคนครับแต่ความรักนั้นคงตัวสม่ำเสมอขึ้นอยู่กับคนที่ จะรักไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความน่ารักของคนอาเมน